ยิ่งเดคู่เราไม่ได้ที่หนุกเตายโต้อตอบหรือด้านทางหรือป ร, รอาบปรามกันแล้วที่นี้ธรรมะทีมาเรื่อยๆไปเฉยๆมันไม่เรื่องคำว่ า, าเหมาะสมนี่ยิ่เดชประเภทไดแสดงขึ้นมานำธรรมะดทธิศษษษัตธรรมาวุธไรจะอาวุธคือธรรมนำมา ต่อสู้ด้วยปราดตามกับศเรศประเภทนั้นให้เหนือกว่ามันอยู่เสมอถ้าเสมอกันก็พอสมตัวไอเจี๊ยบก็จะชนะหรอถ้าให้ั้งหนักมือแเหนียมากมากกว่าเจี๊ยบกัศเรศก็อ่อนตัวลงไปพอเห็นผลและเป็นจักคัย์พยานในการประกอบความเพียรขั้นนี้ด้วยมัจจิมาประเภทนี้ ในการต่อไปก็ยึดหลักมีไว้เป็นเกณฑ์แล้วกราดตามกันไปได้่ลยๆกิเลสอ่อนตัวลงไปมากเพียงไรเรื่องมัชิ ม, มาคือความเหมาะสมเหุ่ธรรมที่จะ น, นำปะาปกราบกิเลสนีน้เป็นไปเองเวลากิเลสผดาผลมัชิ ม, มาคือเครื่องมือนี้ก็ต้องผ่าผลอันก็เอากันถึงเหตุถึงผถึงคิ ด, ถ, ดถึงขียนถึงเป็นถึงตายไม่มี การท้ถอยแต่เรื่องของสติปัญญาที่เรียกว่าเป็นอาวุธสำคัญซึ่งจะต้องนำหน้าเสมอนี้ต่อยวางกันไม่ได้ในขณะทุกขเวทนาเกดมึ น, นาในร่างกายเพราะการนั่งมากเก็บนั่ตปวดนี้หนักขึ้นทุกทีทุกทีเราจะถ้าจะเพียงความอดทนต่อทุกขเวทนานี้นั่นเกิดประโยชน์อะไร ใช้ความอดทนต่อสู้เพราะอดทนใช้การพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาคือปัญญาเป็นผู้ผู้เคีาะหขุดค้นหาความจริงของทุกเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยความมีสติ เ, เ, พ เ, พ เ, พ เ, พเพื่อเพื่อควบคุมปัญญาของตนอยู่เสมอไม่ลดละซึ่งกันและกว่าเวทนานี้เกิดขึ้นมาจากไหนมันจะต้องหมายในส่วนใดส่วนหนึง่งจนได้ว่า เัฒนานี้เกิดเช่นที่เข่าบ้างที่เอวบ้างที่ก้นบ้างอิรพโภคบ้างที่ใดก็ตามที่เด่นเด่นกว่าเพื่อนนั้นน่ะเป็นจุดที่เราจะต้องด่งสติปัญญาเข้าไปตรงนั้นว่านในตุกนี้ เพรเบชนาเกิดขึ้นจากอะไรกันอะไรเป็นทุกเป็นหนังเป็นทุกข์หรือเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์หรือกระดูกเป็นทุกข์ในจุดนี้ค้นดูเนื้อกับเทียบเคียงกับเบทนาเป็นรูปลักษณะอันเดียวกันไหมเข้ากันได้ไหมเนื้อเป็นเป็นรูปเป็นลักษณะมีสีสันวันลนะ ทุกโธเทนาไม่ได้มีรูปมีลักษณะมีสีสันวันถะแสดงแต่ความเจ็บปวดแส บ, บร้อนอยู่ตัวละโดยดตามหลักธรรมชา ต, ติของตนเท่านั้นนี่แยกแยะให้เห็นชัดเจนอย่างนี้การแยกแยะ ก, ก็ต้องมีสติคอยจดจ่อต่อเ น, นื่องกันกับปัญญาที่ผู้เสียขุดค้นในทุกเคยทนาหนหรือในนึง น, นะนะเห็น ติดต่อสืบเนื่องให้เข้าใจติดต่อสืบเนื่องรู้ติดต่อสืบเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ให้ลดนะสติกับปัญญาที่จะต้องไปพร้อมๆกันในการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมีเวทนาหและเนื้อนั้นเป็นต้นมาถ้าแยกแต่กระดูกเมื่วว่าเจ็บกระดูกป่วยกระดูกเข้าใจว่ากระดูกเป็นทุกข์ก็ดูทุกข์ให้รู้อย่างชัดเจน แล้วก็ดูกระดูกกระดูกมีรูปมีลักษณะมีสีสันวันนึส่วนทุกข์นี้ไม่มีเช่นเดียวกันเป็นทุกข์อยู่เฉยเหมือนอย่างทุกข์ที่เราสําคัญมากเกิดจากเนื้อรู้เนื้อเป็นทุกข์หนังเป็นทุกข์ก็ตามเอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์มันก็มีสภาพอันเดียวกัน แต่หนเมื่เอเ็กระดูกนี่มีรูปแบบต่างกันปเป็นปีกันกับหนังเห็นได้จริงจะต้องเป็นเมนหนะัง <c oughs> เอาสมมุติว่าคนตายลหนังก็ดินเมื่อค น, นเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีนังมีอยู่ทุกให้มีถ้าหากว่าเป็นอันเดียวไปนลนะ้วทุกทําไมจริงไม่มีเนยก็ที่ที่ตายแรนะงนั้นทั้งๆที่เมื่อหนังเอ็นกระดูกจะมี เมื่อเป็นเช่นั้นจะถือว่าเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรนี่ประการหนึ่งประการที่สองเรื่องของจิตเป็นสาคัญแยกเข้ามาดูจิตหรือจิตนี่หรือเป็นทุกข์ถ้าการส่วนใ่เสนอไม่เป็นทุกข์หรูอจิตนี่หรือเป็นทุกข์ก็ดูจิตกับดูเรื่อง น, น mm. กับดูกายมันมีความแตกต่างกันอย่างไรอิก็มีแต่ความรู้รเท่านั้นทุกเกิดขึ้นหรือทุกดับไปทุกตั้งอยความรู้ก็มีอยู่เช่นนั้น ทุกไม่เกิดขึ้นมาไม่ปรากฏเลยทุกประเภทที่กําลังแสดงเวลานี้ยังไม่เกิดมาความรู้ก็มีอยู่เช่นี้หากว่าจิตเป็นความรู้อ๋อหาว่าจิตเป็นทุกทุกมาเป็นจิตเวลาทุกดับไปแล้วจิตก็ต้องดับไปด้วยจิตไม่ควรจะยังเหล่อรู้อยูนอย่นี่ท่า น, นทานเป็นอันเดียวกันต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี้ไม่ทุกดับไปแล้วจิตก็รู้อยู่ทุกยังไม่เกิดขึ้นมาจิตก็รู้อย่จะถือว่าเป็นอันเดียวกันได้ แยกหาความสําคัญมั่หมายของตัวทั้งอยากที่ไปหมายว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกข์แล้วความมา้าก็้ามาพระคราวซึ่งกันแกันจนกลายไปว่าหนังเป็นทุกข์เนื้อเป็นทุกข์เอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์รวมแล้ว่าเราเป็นทุกข์เมื่อมันถึงขั้นเราเป็นทุกข์ยิ่งเจ็บมากทุกข์มากต้องแยกแยกให้เห็นอย่างชัดเจนมานี่เรียกว่ามัชชิมาประเภทหน ที่จะต่อสู้กับทุกขเวทนาในขณะที่เกิดขึ้นมากมายเวลาเรานั่งนา่หรือเวลาเจ็บไข้โดยปวกยิ่งวัหนหาสุดท้ายขณะที่จะตายด้วยแล้วทุกขเวทนาจะต้องมาเต็มของอมเต็มตัวจนขนาดที่ว่าเราแบกขามไว้ไม่ไหวรับไว้ไม่ได้ถึงต้องตายไปขนาดนั้นเ้ยทุกมากถึงขนาดทนไม่ไหวตายไป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 เราก็สามารถจะแยกกันได้ความทุกข์แม้จะไม่ดับไปก็ไม่สามารถจะทําความกระตบกระทือนจิตใจให้ห่อเหี่ยวเดือดร้อนวุ่นวายก็ได้เราอยู่อย่างสบายอยู่อย่างอาศรหานอยู่อย่างมีเกราะหุ่มหัวใจเราต่างอันก็ต่างจรินไปเสียเมื่อตางอันต่างจรินแล้วไม่กระทบกันกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตสักแต่ว่าจิตต่างอันต่างจริน นี่ได้เห็นเหตุเห็นผลด้วยสติปัญญานี่มัชิมาประเภทนที่เราจะต้องนำมาใช้หรือขณะที่กิเลสตัณหาอสระราคะตัณหาเป็นต้นมันแสดงขึ้นมาด้วยความรุนแรงเราก็ต้องนำ <c oughs> สิ่งที่แก้กันมาอย่างรุนแรงเหมือนกันยกข้อเปรียบเทีย บ, ยบหรือว่ายกนิมิตขึ้นมายกอสุภอสุพัน์ขึ้นม า, อ า, อ า, นมาเอาที่สวยๆงามๆนั่น มาตั้งตรงตร ง, ตรงหน้านี้แล้วให้มันตายตรงหน้าเราเห็นผู้พองขึ้นมาให้เห็นแล้วแตกเน่าเฟะไปเห็นต่อหน้าต่อตาแรงกาหมากินเต็มไปหมดแล้วจะหาความหนักยินดีมาจากไหนนี่เรื่องมัตติมาให้พากันเข้าใจไวาอย่างนี้ ต้องหาเครื่องมือให้เหมาะสมกับพเรุธประเภทต่างๆที่จะแดงตัวขึ้นมาแต่เป็นลักษณะผ่าผลขนาดไหนอธนี้หนักเบาขนาดไหนต้องใช้เครื่องมือให้ทันกันไม่เย่านั้นไม่ได้นะอย่าอาตุพอาตุพัฒ์ก็เหมือนกันเอาให้ทันเหตุทันผลกันให้เห็นประจักรในจิตใจของเราแต่ละประเภทประเภทของพิรุธ แต่และประเภ ท, เทของมัจจิ ม, มาซึ่งเป็นความเหมาะสมในการแก้กันในการปาตามกันแล้วเราจะได้อยู่เป็นสุขเมื่อธรร ม, มกคำหลังสอนข้าพเจัาที่เรียกว่ามัจจิ ม, มามีหลายขั้นหลายผู้จนได้เป็นหลักเป็นเกณฑแล้วมัจจิมาปฏะจิปท า, าที่จะปฏิบัติต่อทิเลตุประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่มันเป็นส่วนละเอียดยิ่งกว่านี้ <c oughs> ก็เหมาะสมกันไปได้ดื่อยๆจนกระทั่งไหลลิงมดูดทั้ง กลางคืนกลางวันเพราะการพิจรารณาเพราะกิเลสละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดไปตามกันตามกันทันก็คือเรื่องของสติปัญญาที่จะตามกิเลสทัดจะออกมาในแง่ไหนแสดงมาในท่าไหนสามารถที่จะตามกันทันแก้กันลุดไปได้นำมาใช้ร้อยพากันพิจารณาให้ดีอย่าอยู่เฉย อย่าแสดงอย่าให้เป็นความท้อแท้อ่อนแออย่าคิดอนาคตว่าะจะเป็นความลําบากยําบนในการประกอบความเปลี่ยนถ้าคิดให้คิดมากทิเลสนี้จะต้องเหยียบย่ําทําลายเราไปทุบพกทุบจักในอนาคตตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปหาที่สิน้นสุดไม่ได้ถ้าเราแก้แล้วถ้าเราปรากมันไม่อยู่เน้ยมันจะเป็นตัวเจ้าอำนาจวัฒนาบังคับจิตใจของเราให้จะเกิดในสถานที่ต่างๆ ตามแต่จะทากรรมของตัวเองที่ไม่เป็นท่าให้กิเลสหยียบย่ำทําลายเอาดัางนั้นนี่ถ้าคิดอนาคตถ้คิดอย่างนี้วงปัจจุบันเท่านั้นเป็นสําคัญเราจะพยายามตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตใจของเราให้ดีไม่ลดละท้อถอยธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงมาแล้วนี้พระองค์ทรงรับรองผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยพระองค์เองทรงบําเพ็ญน้น เบื้องต้นกับพระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญจนเห็นเหตุเห็นผลโดยลํำดับถึงขั้นบริสุทธิพุโทโธเพราะอํานาจแห่งธรรมเหล่านี้พระองค์ก็เห็นผลมาแล้วเมือ่อใดมีการทดสอบเมื่อพระองค์องเองอย่างประจักษ์แล้วจึงนํามาสั่งสอนพวกเขาแล้วทำมาเหล่านี้จะผิดไปที่ตรงไหนกิเลสไม่เหนือธรรมไปได้ธรรมประเภทใดกิเลสประเภทใดก็าตามทำเป็นเครื่องครอบกิเลสไปแล้วทุกประเภทถ้าเรานํามาใช้ให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆ จะต้องระงับดับกันได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องนำมาคิดมาดำเนินมีความศึกษาพยายามอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่าเพิดเพินยิ่งกว่าอาัศจรรย์ยิ่งกว่าความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเครื่องกดทวงทรมานจิตใจนี่เป็นจุดสาคัญการบหลุดพ้นไปจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเท่านั้นเป็นความสุขเป็นความสุขที่ผลนวง นะเป็นความสุขอนันตการหมายถึงว่าไม่มีการไม่มีเวลาเป็นความสุขตลอดอนันตการเลยพากันตั้งใจพิจออารณามีมันประชุมมานานแล้วผมก็เป็นห่วงบุ่มบวมมันก็เรื่องเพราอย่างนั้นแหละมีนั้นมีนี่น ม, น ม, นมาเรื่อยๆเมือวนี้ก็เลยต้องมาพูดคำถึงจะหนื่อยกว่ผมกว่าทนเอากับแก่คนนักเกี่ยวข้องกับเรา แบ่งคนนั้นแบ่งคนนี้มันก็เน็ดก็หน่อยทั้งจากนั่นก็มาอบรมพระนิยมภาระมันมากต่างหน้าต่างตาผมสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเต็มอกเต็มใจไม่มีปิดบางนี้หลับอุบายวิธีการใดๆที่จะป ร, ะปราบสิ่งที่เป็นข้าสึกต่อจิตใจของผู้ฟังแล้วนำมาสั่งสอนด้วย ตนเองที่ได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นผลอย่างไร ถ, ถูกต้องมรืงามประการใดบ้างก็นำมา้แจทรณาพากันตั้งใจไปคืนปฏิบัติอย่าท้อถอยความปากเปลี่ยนสติเป็นสำคัญพยายามตั้งสมมืออย่าเผอตัวเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกันมักจะเผอตัวจนมาฉันน้ำร้อนหรือเดินไปด้วยกันอะไรๆอย่างนี้ทำการทางานด้วยกัน นักะเสือตัวจนกลายเป็นคึกขนองไปก็มีอย่าให้มีในวงผู้ปฏิบัติซึ่งหญิงภัยในวัตะสงสารเห็งภัยในกิเลสการอยู่การเดินการนั่งการนอนการขบการฉันให้เห็นภัยกิเลสอยู่เสมออย่าฉันด้วยความเพลิดเพลินอย่าอยู่ยืนเดินนั่งนอนด้วยความเพลิดเพลินด้วยความหลุดตัวไม่ใช่ทางของพระพทุทธเจ้ามันใช่ทางดําเนินของผู้ที่จะพ้นจากทุกข์ จ, จำไว้ให้ดี อยู่ที่ไหนให้มีสติอย่าดึงเนื้อดึนตัวมีสติประจำตัวอยู่เสมอตั้งให้มีสติเราอย่าไปให้เสียวเวลากับขีนใดซึ่งเราเคยคิดเคยตรุงมาแล้วมากมายไกลกองหาประมาณไม่ได้วั ต, ตะ์ในรองสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็มีแต่ความคิดความตรุงที่มาก่อควนวุ่นวายเราให้รับความเดืดนอดร้อนเพราะความคิดนั้นๆเราเคยเห็นโทษแล้วไม่ใช่หรอเราจะไปเสียดาย <c oughs> คิดมันอะไรมากมายนั่งไหน สิ่งที่ถูกเป็นโทษเป็นกรรมเพราะความคิดประเภทใดมาแล้วให้ตั้งความเข็ดหลับเท่เาสําหนักตนพยายามลบ ป, ปีความคิดประเภทนั้นอยู่สมอแล้วพยายามปราบปรามสิ่งที่มันจะเป็นค่าศิกเพราะความคิดนั้นๆตรงขึ้นมาใหม่เรื่อยๆให้เปิดทางตั้งแต่ความคิดทางด้านธรรมะขึ้นธรรมะจะได้ปรากฏขึ้นมาแล้วนะ <c oughs> ความคิดทั้งหลายที่ เป็นฝ่ายสมุทยัยนั่นจะได้สยบตัวลงไปลงไปความคิดนี้จะได้พุ่งตัวออกมาเป็นอัตเป็นธรรมแล้วก็แก้ที่เลสัสบาได้ความ <c oughs> ที่มีจิตสงกเป็นลำดับไปนั่นแหละเป็นผลแห่งการปฏิบัติของเราเราอย่าตำหนิวาสนามากวาสนาน้อยกิเลสมันไม่ได้ <c oughs> คํานึงถึงอนานาจวาสนาของใครมีมากมีน้อยมันแสดงโทษ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 ยินตอ้งแตพ่อม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยแสดงฟังนเวลาท่านปฏิดพิธีเราสรุปทั้งเลยทั้งสูงสารลเอาจริงเอาจริงเอาเป็นเอาตายเข้าว่ามุ่งต่อต่อทําอย่างแท้จริงทั้งที่ไม่มีผู้ใดเป็นผู้แนะนําสั่งสอนท่านท่านพยายามบึกบืนไปตามแบบแผนลำดับลำลาขึ้นวางไว้กลางกเอาจนทะลุปลุกปลงไปหน้ากลางเป็นครูบาอาจารย์ที่อาจารย์ในโลกเราสมัยปัจจุบันน ก่อนที่ท่านจะปรากฏองค์ของท่านแบบเป็นเกียรติแจกจากพระศาสนาหรือเป็นที่เคารพส่วนสายของประชาชนทั่วๆไปทั้งภาคเนือแะคารวะก็เพราะท่านเอากินออกจังเอาตายข้อแรกทีเดียวท่านทีน่ีเป็นผู้วิเศษวิโสและหลุดพ้นจากทุกโดคประการทั้งปวงหมดแล้วเรื่องสมมุติทั้งปวงไม่มีที่จะไปเกาะท่านติดแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปตลอดอัน เอว่าอานันตาการหนึ่งเรียกว่านี้ผานเที่ยงวิริเลทมันเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันมีมันเป็นสมมติมันต้องมีสุขมีทุกมีได้มีเสียพาให้คนดีใจเสียใจอยู่นี่ทํานองนี้ไปเลยไปเมื่อแก้เงินนี้แล้วจิตไม่ต้องบอกว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่พ่านเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีวิรเลทเป็นเครื่องแทรกสินตรงนั้นทําให้จิตเป็นรุ่นมันดอนสงสง ต, ต่างๆ ไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์เดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้ามองเดี๋ยวว่ายุ่งนั่นยุ่งนี่เดี๋ยวว่าสงบมีแต่เรื่องของกิเลสกวนเท่านั้นเพราะกิเลสสงบตัวลงเพราะความเพี่ยนตลอใจก็สงบแต่ความเพียน ห, หนักเข้าหนักเขา้ากิเลสก็สงบตัวลงไปสงบตัวลงไปมาแก้กิเลสประเภทใดได้แล้วก็กิเลส ป, ประเภทนั้นก็หมดไปหมดไปมือนเหลืออันใดก็แก้ลงไปแก้ลงไปจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลือ patterns, อยู่ภายในจิต ใ, ใจแล้วเราไม่ต้องไป หาความสุขที่ไหนแหละเราทราบในชัดๆอ๋อเรื่องหาความสุขไม่ได้นี่ก็เพราะกิเลสมันกีดมันกันมันบีดมันขั้นให้มีตั้งแต่ความทุกข์ได้แบบจะ ห, หามอยู่ตลอดเลลวลาอาการดีโกพบไห น, าไหนาจากไหนมาจนมาท่านปัจจุบันนี้พอในสิ้นจากความบีบขั้นของกิเลสกิเลสได้เสร็จสิ้นไปจากปิดใจแล้วไอ้เรื่องความสม่ำเสมอของจิตหนุ่งอาการวิภิจักขอาการวิกร์ทำหรือทำโมปรีโป ความสว่างกรจางแจ้งของธรรมเป็นความสมัสม่ำเสมอคงเส้นคงวาเนั้นไม่ต้องถามมีอยู่กับทุกคนพยายามเอาให้ไดนี่แหละเป็นสมบัติอันล้นคา่ายิ่งกว่าสมบัติอืน่นใดในโลกที่รักที่สมหวนกันโลกกว่าโลกมากอยากได้ก็กได้มากอะไรๆมีแล้วก็อยากมีสมีหน้ามีตาแบบมีแล้วก็อยากมีความโลภมันเป็นอย่างนั้นความมักใหญ่ไปสูงก็คือเรื่องของกิเลสความโลภ ก, ก็คือเรื่องของกิเลสความโกรธก็คือ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 ลผลปรากฏขึ้นมาเรื่อยจิตใจมีความกระเสิมกำาังถึงจนกระทั่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วที่นี่นั่นลนะหมดละที่มีภารละของเราที่เคยต่อสู้กับพิเรฒมาเป็นเหมือนกองจับหรือเหมือนธรรมจับหมุนตี้วทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, ด น, ด น, นั่งนอนเล่นตลกนั้นต่อสู้ถึงขนาดนั้นเพรอข้าศึกดับลงไปแล้วเครื่องมือหรือวิธีการที่เราดําเนินเป็นเหมือนกองจับนี้ก็ระงับตัวลงไปงทันทีเพราะ หมดสิ่งที่ต่อสู้สิ่งที่ทําลายสิ่งที่รบราซึ่งกันและกันแล้วนั่นแหละสงครามทำระหว่างกับิเลสกับจิตได้ชัยชนะกันลงแล้วเป็นอันมากเอกันจะเทียมัตตานังเวสังรามชุดตะโมการชนะชนะตนเพียงคนเดียวเท่านั้นคือชนะกิเลสในหัวใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นประเสริฐสุดยิ่งกว่าการชนะในสงครามและยิ่งกว่าการชนะใครๆทั้งหมดในโลกนี้กี่รอยพันทวีก เอาอันนี้ให้ได้อ่ะมาตอนนี้ท่านปัญญาอธิบาย่อพูดไปพูดไปที่สุด